กาบนิมนต์จยนสมใจแสดงธรรมนิมนต์ด้านหน้าเนะาะจันสมใจก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนมาหลายสิบปีน ะ, นะแม้จะเพิ่งบวชได้ไม่นานเนาะแต่ก็การที่ได้อยู่ได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่อง มาหลายปีเนาะก็จะได้ให้นะธรรมะนะให้ข้อคิดหรือว่าแดกเปลี่ยนประสบการณ์นะแก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วนะก็กราบนิมนต์ครับ ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบกระวะหลงพ่อกมพระราอาจารย์ทุกรูปพระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมิกแล้วก็เจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกา <c oughs> ที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตในครั้งนี้นะก็นั่งตามสบายเนาะก็คิดว่าที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราก็อยากจะมาแสวงหาวิธีการที่จะทำให้เรามีความสุข มันก็มีหลายวิธีเนาะแล้วก็ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังก็มากมายนะไม่รู้ว่าจะเอาไหนดีการหน่ง พ, พระบาทพระพุทธเจ้านะได้เสด็จไปที่ป่าแห่งหนึ่งก็คือป่าประดูไลยก็ในป่านั้นก็มีใบไม้เยอะเลยเต็มไปหมดเลย ท่านก็กําใบไม้ขึ้นมากํามือหนึ่งแล้วก็ถามพระพระสงค์ว่าที่ใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกํามือเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันพระสงฆ์ก็บอกว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าใบไม้ในกำมือพระโต้งก็เลยบอกว่าความรู้ที่ท่านมีเนี่ยมากมายมหาศาล นะแต่ที่เอามาสอนจริงๆหรือใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยเปรียบได้กับใบไม้ในกํามือเดียวนะซึ่งใบไม้กํามือเดียวธรรมะกํามือเดียวเนี่ยนะก็คือเรื่องของความทุกข์นะักแบบกับการดับทุกข์นะซึ่งตรงนี้นะหลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วแล้วก็คงจับประเด็นได้ ประเด็นแรกเนี่ยการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่เราก็มุ่มมองที่จะทำยังไงให้เรามีความสุขนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะสัมผัสหรือสแสวงหาความสุขนะจากวัตถุภายนอกนะความสุขจากได้กินอ่านอร่อยๆได้ดูหนังฟังเพลง เราได้สัมผัสอะไรที่มันนุ่นน่มนะแล้วก็ได้ทำอะไรที่เ พ, เพลิดเ l นนะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทำให้เรารู้สึกสบายกายสบายใจนะแต่ถึงจุดหนึ่งนะเราได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องการความสุขที่มันเข้มข้นขึ้นนะสิ่งที่เรา อาหารที่เรากินอร่อยๆเนี่ยถ้าเรากินซ้ําทุ ก, กวันทุ ก, กวันก็เบื่อเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเพิ่มปริมาณหรือแสวงหาความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นความสุขที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเป็นความสุขที่เราต้องแสวงหาจากวัตถุภายนอกนะนี่เป็นสิ่งที่คิดว่าหลายคนคงจะได้ <c oughs> มีประสบาการณ์ไปแล้ว แต่ที่เรามาวัดป่าสกุลโตเนี่ยเราจะไม่ได้สัมผัสกับความสุขแบบนั้นเท่าไหร่นักนะเพราะว่าสถานที่อย่างนี้ ล, ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตนะิซึ่งไม่มีสิ่งที่จะมากระตุน้นหะรือ ม, มาเล้านะให้เรามีความสุขนะอย่างที่เราอยู่ข้างนอกแต่เราจะสัมผัสความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในของเรา นะซึ่งมีอยู่แล้วความสุขอันนี้เนี่ยนะมันเป็นความเป็นปกติของใจนะที่มันมีอยู่แล้วจริงๆจิต ใ, ใจของคนเราเนี่ ย, ม, ม, ม, นะยนะมันไม่สุขไม่ทุกข์นะจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์แต่ที่มันสุขมันทุกข์เพราะว่าเราเราหลงเราไปยึดติดกับรสชาติ นะของความสุขที่เราเคยได้ลิ้มรสแล้วถ้าได้อะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เคยได้ลิ้มรสมาเราก็จะรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราสังเกตให้ดีนะเราจะพบว่าเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจนะจิตใจก็ไม่เป็นปกตนะินี่เป็นสิ่งที่เราจะสังเกตได้นะ ทีนี้ในในการที่เรามาที่วัดป่าสุกตเนี่ยเข้าใจว่าส่วนใหญ่นะก็คงจะมาแสวงหานะสิ่งที่จะเป็นความสุขนะแต่จริงๆความสุขเนี่ยมันเป็นมันเป็นอีกด้านหนึ่งนะของความทุกข์รือเป็นความทุกข์ที่ที่มันมันน้อยลงที่เราพอจะทนได้นะเรียกว่าเป็นความสุขจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแตกความสุขนะมันมีแต่ความทุกข์ นะเพียงแตวาทุกมากหรือทุกน้อยนะอย่างเราทุกเพราะความหิวนะเราทุกเพราะความปวดความเมื่อยนะเราทุกเพราะเราไม่สบายอากาศมันร้อนอบอ้าวนะนี่เป็นความทุกข์ทางร่างกายเส้นร่างกายเนี่ยเขาจะซื่อตรงมากนะเขาจะแสดงออกมาเขาจะบอกให้เรารู้นะแต่ความทุกข์ที่กันคือความทุกข์ทางจิตใจนะอย่างเช่นเวลาเรา ไปเดินจงกลงไปสร้างจังหวะเราเกิดอาการง่วงหลับง่วงนอนเกิดอาการเบื่อขึ้นมานะหรือ เ, เกิดความฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็เป็นเอ่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเงจริงแล้วเนี่ยการมาเรียนรู้ในะเรื่องความทุกข์เนี่ยนะเราสามารถเรียนรู้ได้ ต, งตรงๆเลยนะไม่ต้องไปอาศัยอุปกรณ์ภายนอกเลย นะวิธีการเจริญสติที่เราทํากันเนี่ยนะที่เรียกว่ า, าสติปัฏฐานสนีะ่การเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหววิธีนี้ถ้าเราไปอ่านในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะมันจะอยู่ในโหมดก็เรียกว่าอริยบัพะและกสัมปจัญญบัพะนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีการฝึกโดยใช้ลหมหายใจนะที่เรียกว่าอานาปนาสติบพะ ซึ่งพุทธองค์ตัสรู้โดยอานาปนาสติปัปพนะะซึ่งส่วนใหญ่พวกเราคนจะคุ้นเคยเราจะคุ้นเคยกับการฝึกสมาธินะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายคือทำยังไง <c oughs> ให้ใจิตใจเราสงบให้เรานิ่งให้ใจเรานิ่งให้ใจเราสงบนะแล้วบางทีก็จะสัมผัสกับความสาบสาน นะเป็นปิติที่เกิดขึ้นนะจากการเรานั่งนิ่งๆหลับตาเส้นะตัวกระผมนิยตมาเองที่เข้ามาสนใจธรรมะก็เพราะว่าได้ไปฝึกอนาปนาสตินะแล้วก็ได้สัมผัสกับปิตินี่แหละนะมีความอิ่มอิ่มใจนะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอเนะมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วนะโดยรุ่นพี่คนหนึ่ง หลายคนคงจะรู้จักดีก็คือสุภวันกรีนนั่นเองนะเป็นรุ่นพี่ที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเราคิดว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วเราถึงที่สุดแล้วนะก็คือเราเรามีความสุขอะมีความสุขที่เป็นปิติกลับไปบ้านเนี่ยเราก็คิดว่าความสุขนั้นมันจะอยู่กับเราแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกกลับไปบ้านเราไปสัมผัสกับ คนในครอบครัวบ้างสัมผัสกับสิ่ง้าดล้อมต่างๆบ้างก็มีเรื่องมากระทบกระเทือนใจความสุขที่เราที่เราได้รับจากการนั่งหลับตาเนี่ยมันหายไปแหล้วะมันก็รู้สึกเสียดายขึ้นม า, าเพราะนั้นการฝึกจิตที่มุ่งให้สงบนิ่งนะในขณะที่นั่งหลับตาเนี่ยมันก็ดีนะแต่มันไม่ถาวร นะมันเป็นความสงบที่ไม่รู้ไม่รู้ตัวนะคนที่ฝึกโดยการนั่งหลับตาก็ดีโดยการที่มุ่งที่ทำให้จิตสงบอย่างเดียวเนี่ยจะทาให้เป็นคนที่ติดสงบนะซึ่งติดสงบเนี่ยจะทำให้ไม่ชอบคบคนอยากจะอยู่คนเดียวงี่บเงีย บ, ยบต้องการที่เงียบเงียบสงบสง บ, สงบไม่อยากให้มีอะไรมารบกวน นะซึ่งความสมงบแบบนี้เนะีนะ่ยงานมันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเราเองซึ่งต้องทํางานต้องเกี่ยวข้องผู้คนต้องมีการเคลื่อนไหวนะตรงนี้เนะี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้ได้น้อยและดีไม่ดีนะมันจะติดนิสัยติดสงบจะกลายเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านไปเลยไม่อยากทําการทํางานไปเลยพอมีเวลา ก็จะนั่งนิ่งอย่างเดียวหลับตานะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็เป็นการติดสงบทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนทางอาั น, นาปัญสติเนี่ยถ้าเราไปศึกษาให้ดีเนี่ยนะการฝึกการสติโดยใช้ลมหายใจเนี่ยมัน <c oughs> มันจะต้องมีการพัฒนาก็คือว่าเราไม่สงบแบบดึงจนไปอยู่ในอาการที่มันสงบไม่รับรู้อะไรนะมันต้องถอนตัวขึ้นมาแล้วมาพิจารณา อาสิณต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายภายในจิตใจของเราอาสิ่ตตรงนั้นเนี่ยคนที่จะฝึกได้เนี่ยต้องมีสติมีความรู้สึกตัวที่ชัดเจนถ้าสติเราไม่แข็งแรงพอไม่ชัดเจนพอเนี่ยเราจะหลับเราจะนิ่งเราจะสงบซึ่งมนี้ย์เรียกว่าเป็นสมาธิของพวกฤูษี ซึ่งจิตใจศีรษะได้ไปเรียนรู้ก่อนที่จ้าจะตัดสู้และท่านก็พิสูจว่าความสงบแบบนี้เนี่ยนะนะมันยังไม่สามารถเอาเป็นที่พึ่งได้และมันมันมีความไม่แ น, น, น่นอนนะมันยังเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่เรานั่งนิ่งๆเราสงบแต่เราลืมตาขึ้นมาทำนู่นทำไม่จิตใจเราไปกระทบมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้ว มันยังมีพอใจไม่พอใจนะท่านไปเลยบอกว่านี่ยังไม่ใช่ทางยังไม่ใช่ที่สุดแล้วก็ถามอาจารย์นั่นมีอะไรที่ทีเหนืหอคนนี้ไหมาอาจารย์บอกไม่มีแล้วหมดแล้วท่านไปเลยต้องไปค้นหาเองนะสุดท้ายท่านก็ได้พบว่าไอ้ที่เราเป็นทุกข์เนี่ย น, นะแล้วเราพยายามไปกดขม่มไอ้ความคิดานาต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเลื่อนให้มันสมบูรณ์เนี่ย มันไม่ใช่ทางแต่เราต้องเรียนรู้มันเรียนรู้กลไกลของมันเรียนรู้กลไกลของความคิดเรียนรู้กลไกลของจิตซึ่งก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองทีนี้วิธีการเคลื่อนไหวที่เรามาทํากันเนี่ยนะก็เป็นการ น, นําเสนอของหลวงพ่อเทียนเมื่อห้าสิบปีที่แล้วท่านค้นพบวิธีนี้จากการที่ท่านได้ ทดลองปฏิบัติมาภายในสองวันเนี่ยท่านบอกท่านท่านไม่มีความทุกข์นะภายในสองวันแล้วก็ท่านก็นําเสนอวิธีนี้โดยประยุกต์มาจากวิธีการก็เรียกว่าไหวนิ่งหรือเตงนิ่งของประเทศลาวซึ่งวิธีนั้นเขาจะใช้วิธีการที่มีคําบริกรรมเบว่อละเต็มช้าๆแต่ลำพิธีนั้น ตัดกรรมดิกรมมารหมดเลยแล้วก็ทําเป็นธรรมดาธรรมดาในะอย่างที่เราได้ทํากันแี่นวิธีการนี้เนะี่ยมันมีจุดเด่นอย่างไงนะจุดเด่นหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากความคิดนะที่เป็นต้นตอโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งนะที่เป็นต้นตอที่ทําให้เรามีความทุกขนะ์ที่เราให้มีความสุขมีความพอใจไม่พอใจนะความคิดเนี่ย มันเป็นสิ่งไม่มีตัตนเราไม่สามารถที่จะจับหรือไปดูมันได้แต่ว่าใจกับกายนะมันติดกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยกายซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปรูปธรรมเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายเชื่อมต่อเข้าไปดูใจเพราะฉะนั้น <c oughs> สมัยก่อนตัวผมรื่องธรรมาเองก็เคยได้ปเปลี่ยนรู้ว่า การไม่ปรามาคือการเฝ้าดูความคิดซึ่งคําตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเราก็จะไปจ้องดูว่ามันคิดอะไรความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดําเนินไปอย่างไรแล้วมันจบไปอย่างไงอ่ะพูดง่าๆ ค, คือเราหลมไปในกวามคิดแล้วเราไม่รู้ทันความคิดแล้วเราคิดว่าเรารู้ทันความคิดแต่ น, นั้นเราไม่รู้ น, นั่นมันเป็นการหลงไปในความคิด ท, คที่เดิมมีมีมีบางท่านบอกให้ดูจิต สิ่งหนึ่งที่ตัวพระพุทธมาเองเคยมีสัพพการเล่นนี้นณะเมื่อรั้งที่ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนเราก็ฟังไม่ดีอ่นะฟังมาให้ดูความคิดทั้งนั้นที่ฐานที่กายเนะี่ยความรู้สึกที่กายเราจำไม่ชัดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราเดินจนกินไปแล้วก็คิดของเราบเรื่ออ่ะคิดเรื่องนึงจบเลยมันคิดเรื่องต่อไปคิดเรื่องนจบก็ คิดถึงบ้านก็จคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงพี่น้องพี่น้องคนนี้หนึ่งจบพี่น้องคนที่สองต่อคนนี้สามตเล่นหวัวเลยนั่นคือการเฝ้าดูความคิดที่เราเข้าใจซึ่งมันไม่ใช่ก็เลยตานไปฝึกกันไปฝึกที่รัศ น, นัยเชื่วมนั้นพอดีเขามีฝึกปฏิบัติกันหลังพ่อการเขียนก็ได้มีโอกาสลนไปช่วยหลวงพ่อเทียนทำ ป, ปฏิบัติ กันอยู่ครั้งหนึ่งก็ตัวธรรมนิธิมาเอยางก็เนี่ยเรดูความคิดอย่างนี้แหละแล้วมันมันเหวี่ยงขึ้นมาไม่ออไรู้ทยังไงก็หาหลวงพ่อเาจะทํายังไงหลวงพ่อเขียนบอกว่าเออยอย่ายเาาพิ่งไปสนใจความคิดนะให้เรามารู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวก่อนมันคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปตามมันอย่าไปดูมันปล่อยมันไปอย่าไปสนใจอย่าไปให้ราคามัน กับมาที่ฐานกายให้ชัดก่อนนะเพื่อน่คือเรามาสนใจที่การเคลื่อนไหวของกายมราดูว่ากายหยับหาบเนี่ยการเดินจงกรมก็ดีการสร้างจังหวะก็ดีเนะี่ยตรง น, นี้ให้มันชัดถ้ามันชัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นความคิดแล้วันจะมันจะมีการต่อรองกับความคิดได้ถ้าเราไปดูเลยโดยที่ความรู้สึกที่กายยังไม่ชัดเนี่ย มันนักจะหลงไปในความคิดแล้วมันมสร้างจินตนาการต่างๆบางคนหลงๆที่เมื่อหายว่าเข้าใจธรรมะแล้วบรรลุธรรมแล้วหัวนี้ยิงไปกันใหญ่เลยซึ่งมันนี้ตัวคนนี้ตัมาเองก็หลงไปนในสมัยที่เราฝึกใหม่ๆแล้วเราก็อกระยิบยิ้มย่างบอกโอเรารู้ธรรมะแล้วนะเราจะต้องมาพูดในคนนูนนี้ฟังนะนี่นี่คือสิ่งที่ตัวตัวตัวเองเคยประสบมาเพราะฉะนั้นสติฐานสื่อเนี่ยเขาจึงเริ่มต้นที่กาย ม, มีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวกายานิตาสนาสติปัฏฐานตอนนี้แต่เดินี่บางทีเราไปเดข้าวเดิจนจิตตาไม่ตัดสมาสติเลยก็ไปดูจิตเลยแหละ ม, มันไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนนะเพราะฉะนั้นขั้นแรกนี้ให้ให้ทำความรู้สึกกายเคลื่อนไหวให้ชัดก่อนและขณะกายเนี่ยมันมีทั้งกายที่หยาบกายที่ละเอียดกายที่หยาบก็คือการที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยนะ เดินจนโกมสร้างจหวะเนี่ยตรง น, นี้นคือเราเอาของยำยาบก่อนอย่าเพิ่งไปเรื่องของละเอียดนะไม่ว่าของละเอียดนี่มันมันไม่ละเอียดแล้วเราไม่ทันเราอาศัยความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่แล้วเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวตามสัญชาติญาณความรู้สึกตัวสามมันนั่แหละที่เรามีอยู่แ ล, แล้วแล้วพวกเราเนี่ยเคยทําการทำงานมาเพราะนั้นสติเรามีอยู่โดยพื้นฐานอยู่แล้ว แต่สังเกตไหมว่าอความรู้สึตัวตัวเนี้ยมันบางทีไม่ทันกับความคิดมันไม่ทันกับอารมณ์เรียกว่าประสิทธิภาพความคล่องแคล่วความเร่งรีมันไม่ทันกะัวนะเพราะนั้นที่เรามาฝึกเนะี่ยแล้มาฝึกความเร่งรีบอ่ะผมสิ่งที่เรามีแล้วให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ง่ายๆคือเป็นการปลุกจิตให้ตื่นขึ้นปลุกความรู้สึกตือที่มีแล้วให้มันฉับไวขึ้น ซึ่งวิธีการเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่รู้สึกตัวที่เกิดขึ้นไวงาการเดินโยงกลมการสร้างจังเหวเนี่ยที่สาคัญก็คือทําให้มันต่อเนื่องนะไม่ได้ทําำหยุดหยุดนะทำทำหยุดหยุดนี่มันก็จะไม่ต่อเนื่องแล้วมันจะไม่เกิดผลเมื่อเกิดผลก็น้อยการทำต่อเนื่องเท่านั้นที่ท่านจำรถจำต้นปดีที่พาพวกเราปฏิบัติเนะ ก็เวลาที่เรามีความต่อเนื่องนะถ้ามีความต่อเนื่องมันจะเกิดผลก็เหมือนเมืองกับเราต้นน้ําเนี่ยสมมติเราต้นมาปในสามสิบนาทีมันจะเดือดสมมติเราต้มไปให้นาทีแล้วดึงปลักออกมันก็ไม่เดือดใช่ไหมมันต้องรอให้ได้สามสิบนาทีมันถึงจะเดือดมันการการทําำแงเนี้ยความรู้สึกตัวมันจะตื่นเนี่ยมันต้องทําให้ต่อเนื่องนะทาต่อเนื่องทำบ่อยๆทาเรื่อยๆมาทําให้ เกิดความชัดเจนในความรู้สึกตัวขึ้นมาทีนี้พอเรารู้สึกตัวที่กายชัดเจนเนี่ยนะที่การเคลื่อนไหวของกายของก า, งการโดนจุกกลมก็ดีการสร้างตัวหมากก็ดีนถ้ามันชัดเจนเนี่ยมันจะไปรู้สึกตัวในเส้นที่ละเอียดเข้าไปนะเช่นกระพริบตาเนี่ยเราก็รู้คือนไม้ลายเลืนไมคอเราก็จะรู้เลือนไม้ใจเราก็จะรู้ไม่ต้เงไปตั้งใจ จดีเลยมันก็รู้หรือพัดลมลมพัดมาเบนผิวกายเราก็รู้ผนมันลูบชั้นขึ้นมาเราก็รู้นะ ม, มันก็จะละเอียดขึ้นส่วนที่ละเอียดก็ละเอียดขึ้นจากของอยามันจะละเอียดขึ้นนะแล้วในขณะที่เราทำบางนีมันก็มีความคิดแว บ, บ, บ, บเข้ามาแวบบ บ, บเข้ามานะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไปใส่ใจอย่าไปให้ราคาเลยอย่าไปสนใจความคิดเลยการไม่ ควาไม่ไม่ความสนใจความคิดนักนคือกักมันรู้สึกตัวที่กายเอาความรู้สึกตัวที่กายขึ้นไหวเป็นฐานนะเมื่อเช้าถ้าเราฟังหลวงพ่อการเขียนมันพูดดีนะถ้าเราฟังดีๆก็คือเป็นต้นปาการเวลาข้าสึกบุกเข้ามาในเรามีเพาะปาการตรงนี้เลยคือรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนะแล้วมันก็จะไปไปสัมผัสกับกายที่ละเอียดขึ้นนะบางทีว่าใจต้นมันก็จะรู้ นั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วก็รู้ซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วมันจะเห็นกลไกอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือในตัวเราเนี่ยนะคนนั่งปวดเมื่อยมากๆเนี่ยมันจะรู้สึกโอ้โหไม่ไหวแล้วมันจะมีความคิดขึ้นมาละมันบอกว่าไม่ไหวแล้วทรมานตรงเลยเปลี่ยนขาดีกว่าปุ๊บป๊ปุ๊บปั๊เราเปลี่ยนทันทีเลยโดยที่เราไม่ทันรู้สึกตัวเราทําไปเพราะว่ามันปวดมันเมื่อย แต่เราไม่ได้ทำไปเพราะว่าเรารู้สึกกับอาการปวดอาการเมื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดอ่อนการที่เปลี่ยนมันทีเดยแล้วไม่รู้สึกตัวตรงนี้มันทำให้ความต่อเ น, นื่มันขาดไปแล้วะต่นี้เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่การฝึกสติี่ให้มีการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆเริ่มต้นคือรู้สึกตัวบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวให้เลยบ่อยๆ มันก็จะไปรู้ความปวดความเมื่อยความพอใจความไม่พอใจขึ้นมานะตรเ น, นี้เรนะาเรียกว่าเวท น, นานิพพานสติปัฏฐานนะเป็นส่วนที่สองนะจากกายชัดมันก็จะไปเวทนาชัดทีนะ น, นี้เราดูต่อไปเราทําต่อไปทําต่อไปคือเดิ น, นจนกงกกมสร้างจองวะเนี่ยแหละนะทําต่อไปตรงเนี้ยเอากายเปนฐานเนะี <c> ่ย <oughs> มันก็จะเหมนความคิด จริงๆความคิดเนี่ยมันก็เห็นแล้วล่ะวับแมาแต่ถ้าคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยพอมันคิดแอบแล้วก็จะตามมันไปละคิดไปเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนู่นเรื่องต่อไปเรื่ยนะตัวเนื้อเราเผยออกมาละแต่เราไม่รู้ตัวหลักนะเราเผอไปกับความคิดละแต่คนที่ฝึกแล้วเนี่ยพอมันคิดแอบมันไม่ตามความคิดเรากลับมาที่ความรู้สึกตัวนี้นะมันคิดอะไรขึ้นมาอย่าตามคิดดีก็เลยเอาคิดไม่ดีก็ไม่เอา ทิ้นไปเลยไม่ก็คือการหัดปล่อยหัดวางที่เราบอกให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางเนะี่ยก็ทําอย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกเออเราจะปล่อยวางนะสติเขาทาหน้าที่เขาปล่อยวางเองเรามีหน้าที่เพียงแต่ว่าทําความรู้สึกตัวต่อเนื่องเรื่อยๆนะทีนี้ทำไปทำไปนะีนะเดี๋ยวมันจะมีความเื่องขึ้นละชวนให้เราท้อล้ะโอ้ยเนื่องอยังเลย ถ้ามนมีใครดูแลนะโดยเฉพาะคนใหม่นะเดี๋ยวกลับกุฏินอนแล้วอดีกว่าแต่กราบมาสุดใมใหม่ก็เต้นนะใครมาที่วัดที่ป่าสุเตสมัยก่อนเนีสมัยนั้นไม่ได้มีคนหรอกอนหลับขหนมึนเงี้ยงมากๆเลยไข้หมอในกุฏินอนเซ็จอยู่กุฏิป่าหกุฏิเก้าข้างบนเลยหลวงพ่อกำเขียนมันไปมัไปสมัยก่อนนั้นงมท่านยังมีกาลังท่านเดินคิดว่าจะไป ดูไปสอบอารมณ์แต่และมอตถองกระเดินฟานเราเรียกตัอที่อ้าวหลวงพ่อเดินฟานอัน <c oughs> นี้ก็คือตอนนั้นเราเรายังไม่รู้เรายังอ่อนปลูกเปียกอินซีเรายังไม่แก่กล้าเรายอมแพ้มันง่ายอ่าเพราะนัะ้นถ้าเราฝึกในัเนื่องนนะต้องฝีนเนี่ยมีอยู่ข้อึันก็บอกขันติปรมังตะโพติิกขาขันติเป็น เครื่องเผาเลืออย่างยิ่งเพราะนั้นอย่าไปนอนการนอนไม่อย่านอนเลยนะมาฝึกเนี่ยการนนไม่นอนมันมันเมื่ออย่างไงก็ลองดูกันมันสักตั้งหนึ่งบางทีเดินเต้นเต้นเนะไปเต้มันมาอย่างดีเลยมาไม่ประการมันมันเมื่อจริงๆอ่ะดินลาคนไม่มาฝุกใหม่ๆมันจะเจอแบบนี้อย่าไปปฏิเสธมันความเมื่อนี้เป็นมรณะอย่างหนึ่งเขาเรียกมรณะธรรม นะเป็นธรรมนูปัสสนาเตติบาฐานเหมือนกันพังนั้นการมาฝึกเจริญสตินีย่าไปคิดว่าโอมาแล้วจะนิ่งสงบเงียอย่างที่เราคิดนะอันนั้นคือละวาดฝันแต่การมาเจริญสตินี่คือพร้อมมาเชิญทุกอารมณ์พร้อมมาเชิญทุกเหตุการณ์มันจะเนื่องมันจะเบื่อมันจะฟึ้งซ่านไม่เป็นไรนี่หลักคือประสบการณ์นะเป็นสิ่งที่มาเสนอหน้า ให้เราดูว่าแม่เปล่าเหมัอนไม่มาท้าเราอ่ะแม่เปล่าถ้าแม่ก็คือไม่ยอมชกกันหน่อยในหงมเตียนชอบใช้คำว่าชกาเลยชกบ้กา ต, ตามเนะลก็คือชกกันเลยไม่ต้องไปยอมแพ้เัยเส่ยนาแล้วเจอความเมื่อง อ, อ่อนเปลือกเปียกไปเลยยกมือไม่ไหวดเดินจงกรมไม่ไหวบางทีเห็นบาคนมาเดินเดิ น, ดนลัคนไม่ไหวแล้วเดินรบเนเลงวนอยู่นั่นแหละสม นะอาก็ดีบางทีตาสว่างเพื่กลับมามานะอันนั้นจะเป็นวิธีการที่จะแก้อารมณ์แต่จริงๆได้แนะ่จริงนะอยู่ที่ลานเดิมแลอยู่ที่ตรงทางเดิมตรงเซดกัมันเลยซดกัมันมาพักหนึ่งที่สุดของความเมื่อยคืออะไรทราบไหความตื่นนะมันจะตื่นถ้าเราเจอที่สุดของมันถ้าเราไม่ยอมแพ้ น, นะมันตื่น เพราะว่าจิตคนเรามันจะมีอารมณ์เรืองไม่เมื่องก็ตืน่นไม่ตืน่นเืๆๆอ่องอะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เรื่องหลังของความเมื่องคือความตืน่นแต่ทำไปทนไปเดี๋ยวมันก็มาอีกอะ่ะความเมื่องมันจะมามามาอยู่เรื่อยๆแต่เราสังเกตพัฒนาการมันก็คือว่า ม, มันเริ่มมันเงื่องหนักมากๆเลยแต่พอวันหลังๆพอความรู้สึกตัวเราชัดขึ้นชัดขึ้นความเมื่องมีแต่น้ําหนักมันมน้อยลง มันจะมีที่ผลเขนมานำเราลดลงฉะนั้นความเรื่องความเบื่อเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดบทแรกสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ที่จะได้เรียนรู้ธรรมะที่การแสดงตัวที่ปรากฏฉะนั้นการเห็นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เห็นแสงเห็นสีเห็นเทวดาเห็นอะไรที่ไม่หานแต่เห็นอาการของกายที่เคลื่อนไหวเห็นอาการของใจที่มันแสดงออกมาแล้วเราสามารถที่ผ่านมันได้ด้วยความรู้สึกตัว ที่มาใชา้หนึ่งพ่อมเขียนพูดว่าทางสายด่วนผ่านผ่านยกระติกผ่านผ่านนี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่เราเรามาฝึกกันซึ่งประสบะการที่เรียนได้ได้เรียนรู้เรืนี้ก็ <c oughs> มีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่บอกใบไม้กันมเดียวธรรมะใบไม้กันมเดียวหรือได้เรียนใจธรรมะสูตรสาเร็จอุดใจเดียวก็คือความรู้สึกตัว การเรีนนเยมมนธรรมกาฐานหงพ่เขียนนะเอ้หลวงพ่อฝึกกัเนี่ยมันทำอย่างเดียวหรอกไม่ทํอยางอื่นเลยหรอกหลพ่อบอกใช่ให้เรารู้สึกตัวนะไอ้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแต่ต้นเริ่มต้นท่ามกลางที่สุดเพียงแต่ว่ามันจะไวมันจะละเอียดขึ้นถ้าเราทํอยางต่อนเนื่องเป็นลูกเส้นนะเพียงแค่เครื่องมือนี้นคือความรู้สึกตัวเลยที่ว่าสติสัมปชัญญะไอ้ตัวนะ มันจะเข้าไปเอทะลุทะลวงนะเรื่องภายในใจของมันมันจะเปิดเผยออกมาเลยทั้งดีและไม่ดีมันแล้วแต่ว่าเรามีอะไรฝังใจอยู่ในใจอ่ะคนนี้ทําไม่ดีม า, มานะไอภาพเก่าๆทำไม่ดีมันจะพลัขึ้นมาเลยให้เราเห็นเลยนะไอ้ น, นั่นนะคือสิ่งที่เราฝังใจอยู่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะมีเขาแสดงตัวนะ เป็นาปาปตการเป็นอาการของจิตที่แสดงตัวเมื่องหลักธรรมะที่มาแสดงเรามีหน้าที่ดูแต่เข้าไปแยาเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นการไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นก็คือการกลับมารู้สึกตัวการไม่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันจะเปนตัวที่เราไม่เรหลงไปอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนลมที่พัดผ่านมาที่พัดผ่านไปเป็นธรรมชาติเป็นอาการ แต่บางทีเราก็เออเออเอ อ, เอมันอะไรขึ้นทำไมเราเป็นอย่างนี้มามราอยู่บ้านเราไม่เคยคิดขนาดนี้เราไม่เคยฟุ้งซ่านขนาดนี้เลยมาทําไมทําไมมันฟุง้งซ่านเอาก็เราอยูบ้านแล้วก็ทำนู่นทำนี่อ่ะจริงจริงในความฟุ้งซ่านมันมีอยู่แล้วไอ้ความคิดเนี่ยเขาบอกอ่าจิตเนี่ยมันเป็นโรงงานผลิตความคิดอ่ะมันคิดก็มันตลอดน่ะแต่ก็มีบางเชิงนะที่มันหยุดอ่มามันก็มีว่างบ้างคิดบ้าง แต่มันไม่เป็นปัญหาหรอกนะเขาคิดได้กับคิดไปเราไม่สนใจเรากลับมารู้สึกตัวเราทําหน้าที่ตรงนี้เราจะไปตามความคิดแต่ไม่ปฏิเสธความคิดนะไม่ต้ไหนห้ามนะทําไมตอนนี้ฝึกใหม่ๆแล้วโอ้ความคิดมันทําให้เราเป็นทุกขบเกดความคิดเลยนิ่งเลยหลับตาลบเลืดเลยโหมันก็มึนดิบางคนนี่แน่นอบขึ้นมาเลยจุกขึ้นมาเลยนะอันนั้นก็ไม่ถูก ไม่ตาม <c oughs> นะไม่ตามความคิดแต่ก็ไม่ไม่ยอมรับเขาก็คือกลับมารู้สึกตัวตัวนี้จะเป็นฐานนะที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาความรู้สึกตัวให้มันมีความฉับไวขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทาหน้าที่ในการเรียนรู้ความจรงิงนะที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะและจิตเนี่ยมันจะกลับคืนสู่ความเป็นปกติ ซึ่งเป็นภาพธรรมชาติดั้งเดิมของจิตที่มีอยู่แล้วที่เรามานั่งอยู่ตอนนี้เราไม่บ้าเราไม่เป็นโรคประสาทเนี่ยก็เพราะความเป็นปกติของจิตที่มันมีพื้นฐานอยู่แล้วเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่เราลลงลืมกันไปเราไปเพ ล, เพลิเลินเราไปหลงไหลกับความพอใจความไม่พอใจความสุขสนุกสนานความรื่นลมความเพลิดเพ ล, เพลินจากวัตถุภายนอก นะสิ่งต่างๆเนี่ยทำให้เราหลงลืมจิตปกติซึ่งเป็นของที่ทําให้เราเนี่ยนะมีชีวิตยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ทําให้เราไม่บ้าทําให้เราไม่ปาา็นโรคประสาทนะเราหลงลืมไปนะเขเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเมื่อเรากระหายน้ําเนี่ยเราต้องการน้ําจืดที่จะแก้กระหายไม่ใช่น้ําหวานไม่ใช่ชาเขียวไม่ใช่น้ําผลไม้อะไรเลย แต่เราไปติดในรสชาติของเครื่องดื่มแล้วเราก็ลืมน้ำจืดนะน้ำจืดสังเกต ด, ดูเราเรากินน้ำหวานอะไรก็แล้วแต่จะมาจบที่น้ำจืดไม่มน้จะเพือ่อปากเพราะนั้นสภาพปกติบางคนบอกเอ้ยอย่างนี้มันก็กายเปนจืดชืดไปดิไม่จืดชืดนะจะเป็นสภาพปกติที่เราอยู่ได้อย่างมั่นใจมั่นคง นะแล้วก็มีความรู้ตื่นเบิกบานนะพร้อมที่จะทําการทํางานจิตใจพร้อมที่จะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ทํางานตามปกติอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆจะเข้ามาครอบงาเราไม่ได้ล้วจิตใจเราจะเป็นอิสระขึ้นจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเกิดขึ้นนิดนิดห น, น่อยๆเช่นเราจะโกิดขึ้นมานำจะรู้ละมันจะมันจะมีสภาพที่มันมันมันมันโก ล, น, กลนขึ้นมา สติเขาจะทำหน้าที่เขานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะถ้าเราฝึก อ, อย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นทำอย่างต่อเนื่องทำให้ <c oughs> ได้บ่อยๆนะแล้วก็รับรู้กับอารมณ์ทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องปปฏิเสธเขาแต่ก็ไม่ต้องรับเขากลับมารู้สึกตัวแตนะ่บางคนไม่ชอบนะอารมณ์ไม่มีเราไม่ชอบนะ ควเบื่อเราไม่ชอบแล้วไม่อยากให้เปิดใครจะไปบังคับบัญชาได้มันก็เกิดแต่เ้าเปิดเขาไม่อยู่ตลอดเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเขาก็หลบหน้าไปเดี๋ยวอารมณ์ใหม่ก็มาเนี่ยแหละคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อกำเขียนพูดว่าเอากายใจเป็นตำราเอาสติความรู้สึกตัวเป็นนักศึกษาเนี่ยแหละเราเรียนรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอานหนังสือเะไรอย่างได้น่ะจริงๆพระเตยบิดกก็ไม่ต้องไปอ่านก็ได้ เมื่อตัวเราเนี่ยแห ล, ละเป็นพระเจ้บิดกเล่มใหญ่ที่เขาจะแสดงตัวออกมาโดยอาสัยความรู้สึกตัวที่เลือกาตาในเนี่ยอ่านตัวนี้นยิ่งโดยไเพิ่งคนที่มีเวลาน้อยนะที่นังสือเลยไม่ต้องไปอ่านหนังสือเลยทิ้งเลยมาทําตรงเนี้ยพราะสมัยก่อนพระเจ้บดกก็ไม่มีใช่ไหมขึ่งมาเขียนกันเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วสมัยก่อนใช้วิธีการทรงจําท่องต่อบอกต่อมันเกิดมาจากข้างในนี้ มันเกิดมาจากลายใจของเราเรียนรู้ตรงๆมาจนมืเลย์นักเรียกใบไม้กำมือเดียวหรือว่าสตรสำเร็จอึดใจเดียวที่หลวที่ เ, เทียนท่านชอบใช้คำคานี้ทีนี้ในะระหว่างการฝึกเน่เท่าที่สังเกตก็มีหลายคนนะยังยังติดการใช้โทรศัพท์นตรงนี้เนี่ยต้องระวังเพราะการโทรศัพท์นั้นก็คือการที่เราไปติดต่อลกภายนอกละ นะตรง น, นี้เนะี่ยถ้าเป็นไปได้นะมีเวลาที่เหลือเนะนะอยากจะแ น, น, นะนํานะปิดโทรศัพท์เลยเก็บไปเลยไม่ต้องติดต่ออะไรเลยเรามีเวลาน้อยให้เวลากับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะนะหนึ่งโทรศัพท์ปิดเลยไม่ติดต่อใครเลยสองการพูดปุยคุยให้น้อยไม่ต้องคุยเลยได้ยิ่งดีนะสมยัยก่อนหรวงพ่อเจมส์พูดว่ากินน้อยนอนน้อย พูดน้อยแต่ทำนี้มากไม่พูดเลยได้ยินดีอย่างเช่นเขาจัดฝึกอบรมแบบก็ เ, เรียกว่าเต้นซีแบบอุกฤษเนี่ยอุกฤษก็ ค, ค, ค, คือขึ้นค้นเลยวิ่ีูไม่คุยกันเลยนะต่างคนต่างทําเลยแต่ถ้าทําบบนี้ได้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะอึดอัดในช่วงแรกนะแต่ว่ามันจะมันจะรู้จักการผ่อนคลายนะด้วยตัวของเราเองนะมันอึดอัดบางทีบางคนเบื่อซึ้งไม่ไ ห, ไหวอะไรอย่างเงี้ย ดังนันี้คบาอาจารย์หรือว่ากัลยามิก็สำคัญนาะที่จะช่วยเะืทางออกให้ได้บ้างแต่บางทีตัวเราเองอ่ะคำตอบมันจะออกมาเองรางนั้น <c oughs> มีหลายคนบางทีสงสัยและชอบถามคิดคำถามอย่าไปหาคำตอบจากความคิดการทำวิธี น, นี้ไม่ต้องใช้ความคิดเลยใช การสัมผัสรู้อย่างเดียวทํามันคนงื้อๆไปเลยไม่ต้องมาคิดมากไปสงสัยมากมันก็คิดความสงสัยนะมันเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งขึ้นมาพราะนัมันสงสัยอะไรทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวคิดอะไรขึ้นมากลับมารู้สึกตัวเอาเนะี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยทํามันเดียวเนี่ยลองดูสิสักบ้านหนึ่งไปโทรศัพท์ลดการพูดคุยมีเวลาหรือกี่วันเรื่องนี้โดยเฉพาะอัตมาเชื่อว่ามันน่าจะเกิดผลบ้างละ่ะ ตังน้อยๆก็เป็นประสบการครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดเลยนะเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยนะอดีตเมื่อเช้าเห็นมีเม่ชีจีนคนหนึ่งเดินจงกลุมไปก็กดโทรศัพท์ไปโอ้เราก็น่าเสียดายนอ้ออุตสาห์เสียเงินเสียทองเสียเวลามามาเดินจงกลุมไปกดโทรศัพท์ไปเสียดายเวลาจริงๆเนะ น, นี่ยตรงนี้ก็สําหรับพวกเราคนไทยเนี่ยอยากจะแ น, น, น, นะนำนะว่า ในเชิงการฝึกเนี่ยปิดเลยไม่ต้องติดต่อเลยนะภายในระยะเวลาเนี้ยการพูดคุยก็ลดการพูดคุยเลยจะดีมากนะถ้าจะคุยก็คุยกับกับอาจารย์นะอยาคุยชั้นเองเพราะคุยชันเองเนี่ยมันจะตุ่มแต่งละมันจะคิดปุ่มแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วอย่างมันเป็นการบางทีกบเกลือนนะ่ะกบเกลือนความรู้สึกที่เบื่อเนะี่ยเราไม่ได้ไปเชิญกับความเบื่อตรงตรงเป็น การฝึกเรื่องนี้นะก็คือพร้อมเผชิญทุกอารมณ์ด้วยความรู้สึกตัวพร้อมเผชิญอารมณ์ทุกอารมณ์ด้วยความรู้สึกตัวมา ต, ตรงนี้น่าจะเกิดผลนะให้สมกับที่เราเสียเวลาเดินทางมาเสียงเงินเสียทองมาแล้วก็มีความตั้งใจนะที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องพรงนี้เรื่องนี้ไม่ยากเลยนะง่ายๆแต่มันยากตรงที่เราคิดมากแต่มเมื่อเกิดเป็น เอ้มันอย่างนี้ใช่ไหมเอ้มันมันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นใช้ความคิดอหะเพราะระบบการศึกษาเราเนี่ยเราใช้ความคิดหายเหตุผลมากพอเรามาเรียนวันนี้เราก็ใช้ความคิดอีกเพราะฉะนั้นทิ้งเลยนะแม้แต่ความคิดก็ทิ้งเลยแลับมารู้สึกตัวซื่อๆตรงไปตรงมาตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การเดินทางของเราเร็วขึ้นเขาเรียกว่าทางสายด่วนแอดที่หลงพูดเขียนนั้นพูดมาเช้านี้ ก็กลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเกิดมิสัยใหม่เกิดชีวิตใหม่เป็นมิสัยแห่งความรู้สึกตัวเป็นมิสยัยเป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวที่ผ่านมาเป็นชีวิตแห่งความหลงหลงในวความคิดหลงในอารมณ์ไม่รู้ตัวเหมือนคนสลุมสลือขึ้นหลับขึ้นตืน่นอะแต่เราไม่รู้ตัวหรอกรู้มากเกินะกดไม่ดีแต่มันยังโกิดอยู่ออแก้ไม่ได้ แต่ถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้แล้วเฮ้ยมันจะเแกบบิดมันรูมันเป็นๆอยู่ในใจมันเห็นละนะมันก็รู้แต่จะไถึงตรงนั้นได้ก็ต้องทําบ่อยๆเนาะตอนนั้นการที่เรามาเร่วมกันเจริญสติในครั้งนี้ก็อยากจะขออนุโมทนาเนาะในความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะที่มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตมานะให้เป็นชีวิต การเจริญสติหรือนะชีวิตแห่งการภาวนาการภาวนาก็คือพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีให้มันรู้เท่าทันความคิดปล่งแต่งต่างๆนะเพื่อที่ใช้จิตใจนั้นกลับเกินสู่ความเป็นปกตินะที่เป็นสภาพที่รูต้ตื่นเะบิกบานซึ่งเป็นสภาวะที่เราเรียกว่าพุทธะนั่นเองนะพุทธะมีแล้วทุกคนเพียงแต่มันถูก บ, บุญนบะังด้วยความไม่รู้ ในะความไม่รู้ตัวนั่นเองนะก็หวังว่าด้วยความเพียรพยายามของทุกคนนะที่ได้มาร่วมการใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็ตั้งใจนะในการประพฤติปฏิบัตินะจงเป็นพระวิปัจจัยนนุนนำส่งให้ทุกท่านนาะได้สัมผัสหรือได้เข้าถึงในะความเป็นปกติของจิตที่มีอยู่แล้ว โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเถินเจริญพร